วันนี้พวกเรามาฟังธรรมกันมาฟังเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จักตัวของเราเองชีวิตของเราเองว่ามีส่วนประกอบเยอะกี่ส่วนด้วยกันถ้าเราไม่มาเรียนเราอาจจะคิดว่าชีวิตของเรานี้มีส่วนประกอบอยู่เพียงส่วนเดียว คือร่างกายที่เรามองเห็นกันแต่ถ้าเรามาเรียนฟังมาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะเราจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเรานี้มีสองส่วนนอกจากมีร่างกายส่วนที่เรามองเห็นแล้วเรามีจิตใจอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่มองไม่เห็น เพราะจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่มีความจำเป็นมีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกาย เ, ออเป็นเหมือนสองพี่น้องจิตใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนฝาแฝดพวกเราเป็นฝาแฝดแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นฝาแฝด พอเราเห็นเพียงร่างกายที่เป็นแฝดน้องส่วนใจนี้เป็นแฝดพี่ทำไมถึงเรียกว่าใจเป็นแฝดพี่เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนั่นเองใจจึงเป็นนายร่างกายจึงเป็นบ่าว ใจจึงเป็นพี่ร่างกายเป็นน้องเป็นฝาแฝดเหมือนแฝดสยามใจกับร่างกายนี้ไปด้วยกันทุกคนทุกแห่งตั้งแต่วันเกิดมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาก็ออกมาพร้อมๆกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันทำอะไรต่างๆด้วยกัน แต่พวกเรานี้มองเห็นเพียงร่างกายเราก็เลยคิดว่าเรามีร่างกายเป็นส่วนดึงเป็นส่วนเดียวของชีวิตเราเราจึงคอยดูแลร่างกายเราเพียงส่วนเดียวไม่ค่อยรู้จักการดูแลเลี้ยงดูจิตใจของพวกเราพวกเราจึงมี ความสุขทางร่างกายแต่จิตใจของเรามักจะมีความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลจิตใจเหมือนกับเราดูแลร่างกายนั่นเองเราเลี้ยงร่างกายด้วยปัจจัยสี่พะเรารู้ว่าถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องอดยากขาดแคลนหรืออาจจะต้องถึงแก่ความตายได้เราจึงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายของเราทุกวันทุกเวลาเราหาอาหารมาให้ร่างกายรับประทานกันทุกวันหาเครื่องนุ่งหม่มคือเสื้อผ้ามาสวมใส่ ทุกวันทุกเวลาหาที่อยู่อาศัยมาให้ร่างกายอยู่ไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆแล้วก็หายารักษาโรคมารักษาร่างกายเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจึงอยู่สุขสบายมาตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิด มาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ใจของพวกเรานี้ไม่ได้รับการดูแลเหมือนกับร่างกายใจของเราจึงทุกมาตลอดเวลาทุกแบบแทบทุกวันทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับสิ่งนั้นทุกกับสิ่งนี้ทุกกับคนนั้นทุ ก, กับคนนี้ ความทุกข์ของใจเป็นอย่างไรก็คือความไม่สบายใจนี่ความไม่พอใจเห็นอะไรก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ยินอะไรก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมามีอะไรก็ไม่สบายใจไม่มีอะไรก็ไม่สบายใจรู้สึกว่าจะไม่สบายใจกันตลอดเวลา นั่นเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงดูจิตใจเหมือนกับที่เราเลี้ยงดูร่างกายของเรานั่นเองพอเราไม่รู้ว่าเรามีจิตใจที่เราต้องคอยเลี้ยงดูด้วยถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอน เราจะไม่รู้ว่าเรามีจิตใจที่เราจะต้องเลี้ยงดูเหมือนกับที่เราเลี้ยงดูร่างกายและสิ่งที่จิตใจต้องการก็เหมือนกับสิ่งที่ร่างกายต้องการออจริตใจก็ต้องการอาหารของจิตใจต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของจิตใจต้องการ ที่อยู่อาศัยของจิตใจและต้องการยารักษาโรคของจิตใจเหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาเราจะไม่รู้เรื่องของจิตใจเราจะไม่รู้เรื่องของการเลี้ยงดูรักษาจิตใจให้อยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์แต่พอเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้แล้ว เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องเรามีจิตใจที่เราจะต้องเลี้ยงดูรักษาและสิ่งที่จะเลี้ยงดูรักษาจิตใจให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ก็คืออาหารของใจที่อยู่อาศัยของใจเครื่องนึ่งห่มของใจได้ยารักษาโรคของใจอะไรเป็น อาหารของใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานอะไรเป็นเครื่องนุ่งห่มของใจเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีล์สีหน้าสีแปดสี 10, สิบสีสองร้อยยี่บเจ็ดเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มีราคาหลายราคาด้วยกันสีหน้าก็เหมือนเสื้อผ้าราคา ต่ำสินแปดก็ราคาสูงขึ้นศินสิบก็สูงขึ้นแพงขึ้นศินสองร้อยยิบเจ็ดสินสามร้อยสิบเอ็ดสามร้อยอสิบเอ็ดก็มีแพงขึ้นไปตามลําดับเหมือนเสื้อผ้าที่มีหลายราคาเสื้อผ้าชุดละห้าร้อยก็มีชุดละห้าพันก็มีชุดละห้าหมืนก็มีนี่ก็คือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของใจคือศีลแล้วบ้านของใจคืออะไรบ้านของใจก็คือสมาธิคือความสงบของใจก็มีหลายระดับระดับแบบสงบเดียวเดียวสงบได้นานสงบแบบที่มีอะไรให้ชมให้ดูให้ฟังก็มีสมาธิอยู่สามแบบ เป็นบ้านที่เราสามารถเลือกใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วยารักษาโรคของใจคืออะไรยารักษาโรคของใจก็คือปัญญาความรู้ที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสโลเป็นความรู้ที่จะมาใช้รักษาใจเวลาใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาปัญญาก็มีสามระดับ มีปัญญาที่เกิดจากการศึกษาจากผู้อื่นแล้วก็ปัญญาที่เกิดจากการท่องจําจดจําพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้ลืมแล้วก็ปัญญาแบบที่มีพลังที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจให้หายไปได้ทันทีนี่คือ ปัจจัยสี่หรือที่พึ่งของจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงนํามามาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเรามีความสุขทั้งทางร่างกายและมีความสุขทั้งทางจิตใจด้วยและความสุขทางจิตใจนี้สําคัญกว่าความสุขทางร่างกายเพราะใหญ่โตมากกว่าความสุขทางร่างกาย ถ้าเปรียบเทียบความสุขทางร่างกายก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับหนูก็แล้วกันเปรียบส่วนความสุขทางใจนี่เหมือนกับช้างหนูกับช้างนี่มันต่างกันนะช้างตัวบะล้มนยหนูนี่ตัวนิดเดียวนี่แหละคือความสุขของทางร่างกายกับความสุขของทางใจ ถ้ามีความสุขทางใจแล้วถ้าร่างกายมีความทุกนี้ความทุกของทางร่างกายก็จะไม่มาทำให้เรารู้สึกเดือดร้อนเลยถ้าเรามีความสุขทางทางใจคือมีช้างความสุขระดับช้างพอร่างกายทุกเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยแก่หรือเจ็บหรือตายความทุกของร่างกายจะ ไม่มาทาให้เราสะเทือนใจเพราะเรามีความสุขทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ทางร่างกายหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าด้วยกันจึงทําให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีผลอะไรต่อจิตใจอ น, นี่คือจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอาหารหันตสาวกเนี่ย ท่านได้สร้างความสุขให้กับจิตใจจนสมบูรณ์เป็นความสุขระดับช้างเห็นเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ท่านไม่เดือดร้อนร่างกายจะอดอยากขาดแคลนขาดอะไรขาดปัดจจัยสี่ขาดอาหารขาดที่อยู่อาศัยขาดเครื่องนุ่งห่มขาดยารักษาโรคท่านไม่เดือดร้อน ว่าใจของท่านนี่มีความสุขระดับช้างอยู่ความทุกข์ระดับหนูนี่มันไม่ไปทําให้ความสุขระดับช้างสเสถียรแต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามนี่พวกเราเนี่ยมีความสุขระดับหนูแต่มีความทุกข์ระดับช้างกันความทุกข์ของใจของพวกเราเนี่ยเป็นความทุกข์ระดับช้างะ ส่วนความสุขของร่างกายของพวกเรานี้เป็นความสุขระดับหนูพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหน่อยนี้โอ๊ยเราโวยวายขึ้นมาจะเป็นจะตายให้ได้แล้วความสุขระดับร่างกายก็มากลบความทุกขระดับใจไม่ได้เเวลาเศร้าโศกเสียใจเวลาไม่พอใจเพียงแต่ฟังเขาด่าคําเดียวนี้ก็เสียใจไปทั้งวันะ ความสุขทางร่างกายที่มีอยู่สมบูรณ์มาดับความทุกข์ทางใจไม่ได้เลยมามามาปกมาปิดความทุกข์ทางใจไม่ได้มหาเศรษฐีก็ยังต้องทุกข์ใจอยู่นะแต่พระพุทธเจ้าพระสาวกนี่เป็นเหมือนขอทานท่านอยู่แบบขอทานทางร่างกายเนี่ยร่างกายท่านนี่อยู่แบบขอทาน ใชทุกวันก็ไปขอทานขออาหารกินเงินทุกเช้าไปบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดส่วนใหญ่ชอบไปอยู่ในป่ากันไปทําเพิงไปทําอะไรหลบแดดหลบฝนได้พออยู่หลบพออยู่ได้อยู่แบบขอทานหรือบางทียิ่งกว่าขอทานสิพา เสื้อผ้าของพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนะ่ะทํามาจากผ้าอะไรหรือเปล่าเรียกว่าผ้าโหรศพน่ะสมัยพุทธกาลนี่เวลาคนตายเขาไม่ได้เอาไปเผาหรือเอาไปฝังเขาเอาผ้าพันศพไว้แล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าวิธีง่ายดีไม่ต้องขุดดินไม่ต้องหาฟืนมาเผาไฟเพียงแต่เอาผ้ามาพัานพันมัดล่างกาย แล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชาให้มันเน่าเปื่อยไปพอร่างกาย้เน่าเปื่อยไปผ้าก็ไม่มีความสความหมายพ่านักบวชสมัยนั้นก็ไปเก็บผ้าที่หอ่อศพศพที่กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วแต่เป็นผ้าที่ศพกระปบไปด้วยน้ําเลือดน้ําหนองแต่ท่านไม่กลับไม่มีความลังเกียจ เพราะท่านถือว่าเป็นของฟรีไม่ต้องไปหาเงินซื้อไม่ต้องไปขอใครไม่มีใครต้องการผ้าหอ่อศพไม่มีใครไปแย่งผ้าห่อศพกันผ้าศพนี้ทิ้งเกลื่อนไปหมดในป่าชาท่านก็เลยไปเก็บมาเหมือนผ้าที่เขาทิ้งในกองขยะแล้วนั่นแหละคือผ้าของพระพุทธเจ้าจีวรของพระพุทธเจ้า ผ้าหอ่อศพนี่ภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรหรืู้ปะก็เรียกว่าผ้าบางสุกุลเนียเนี่ยที่เราไปชักบางสุกุลกันเวลาคนตายใช่ไหมนั่นแหละคือผ้าบางสุกุลแต่ว่าผ้าบางสกุลสมัยนี้มันไม่ใช่เป็นผ้าบางสกุลนะมันเป็นผ้าผ้าตัดซื้อมาจากร้านเนี่ยยังไม่ได้สวมไม่ได้ใส่ยังสะอาดไหมเอี่ยมเหมือนกับ เหมือนกับซื้อเสื้อผ้ามาจากลานแต่สมัยก่อนผ้าบางสกุลนี้คือผ้าห่อศพสมัยนี้เขายังอยากจะรักษาธรรมเนียมของผ้าบางสกุลอยู่เขาก็เลยสมมุติว่าเป็นผ้าห่อศพเอาผ้าไปวางไว้ที่หน้าโรงศพแล้วก็นิมนต์พระไปชักผ้าไปไปเก็บผ้านั่นเองเขาไปชักผ้าก็ไปเก็บผ้าให้ผ้า คืออยากใช้ผ้าให้พระใช้ผ้าห่อศพพูดยังไงแต่ไม่กล้าเอาผ้าห่อศพจริงๆมาให้พระชักกันเพราะกลัวพระจะไม่ชักนี่มนเราจะไม่มีใครขึ้นไปชักนั่นสอเนี่ยนี่แหละคือผ้าบางสกุลผ้าห่อศพหรือผ้าป่าเนี่ยผ้าป่าคำว่าผ้าป่าก็ผ้าป่าช้าไงเขาตัดคำว่าช้าออกไปผ้าที่เก็บมาจากป่าช้าเรียกว่าผ้าป่า สมัยแรกๆนี้ไม่มีผ้ากรถินมีแต่ผ้าผ้าป่าเพราะญาติโยมไม่รู้ว่าพระใช้ผ้าอย่างไรแบบไหนพระก็ไม่เคยบอกเมื่อโยมไม่ถามพระก็ไม่บอกพระก็ไปหาผ้าตามป่าช้ามาเมื่อโยมเห็นพระไปหาผ้าตามป่าชา้าก็เลยคิดว่าเป็นธรรมเนียมของพระที่จะต้องใช้ผ้าที่เก็บมาจากป่าชา้า ก็เลยไม่มีการถวายผ้าให้ปรับผ้าใช้ในสมัยนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้าบวชนี้ไม่มีการถวายผ้าจีวรให้กับพวกนักบวชเพราะเห็นพวกนักบวชเขาไปเก็บผ้าในป่าช้ากันก็เลยไม่มีธรรมเนียมถวายผ้าให้กับนักบวชมีแต่ธรรมเนียมใส่บาตรเพราะเห็นนักบวชหิ้วบาตรเข้ามาในบ้านทุกเช้า เขาก็รู้แล้ววิ่หิ้วมาต้องการอะไรก็ถามก็บอกต้องการอาหารเขาก็ใส่อาหารให้พระก็ไม่ได้บอกว่าต้องการอย่างอื่นเพียงแต่ต้องการอาหารอย่างเดียวพระจีวรก็ไม่ได้บอกว่าต้องการกุติก็ไม่ได้บอกว่าต้องการยารักษาโรค ก, ก็ไม่ได้บอกว่าต้องการต้องการเพียงอย่างเดียวคืออาหารเพราะอย่างอื่นหาเองได้สมัยก่อนอ <ator> ที่อยู่อาศัยของพระก็เนี่ยอยู่โคนไม้ลุกขมูลราเสนาสนังเสนาสนะที่อยู่ใต้โคนไม้ก็คือท่านก็อยู่ใต้โคนไม้มันล่มมันมีใบไม้แล้วถ้ามีทําเพลิงเท่หน่อยการฝนกันแดดก็อยู่ได้แนละเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของนักบวชในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลลุกขมูลราเสนาสนัง ท่านหาเองได้ผ้าก็หาเองได้ผ้าบังสกุลเอ<ม>ก็เลยไม่ไปรบกวนพระไม่นิยมที่จะไปรบกวนญาติโยมไม่นิยมไปขอบอกบุญขอนูน่นขอนี่เหมือนสมัยนี้<ม>เปิดไปเพจไหนก็มีขอขอบุญส ร, สร้างนู่นสร้างนี่เต็ไมไปหมดผ้าสมัยก่อนไม่ไปขอใข่ขอเพียงอย่างเดียวขอบินธบาตขออาหาร ที่อยู่อาศัยไม่ขอไปทําเพิงอยู่ในป่าเรือไปอยู่ตามถ้าเห็นมตามเงื้อมผาตามถ้ำที่หลบแดดหลบฝนได้นั่นคือที่อยู่อาศัยผ้ากระงสกลุลผ้าหอ่อศพไปเก็บตามป่าชา้ามีเยอะแยะเพราะไม่มีใครต้องการผ้าป่าผ้าห่อศพกัน นักบวชสมัยนั้นก็สบายเดินเข้าไปในป่าช้าก็เลือกดิบได้ยาผ้าตรงไหนพอได้ผ้ามาแล้วก็เอามาซักย้อมซักต้มน้ำก่อนจะได้เอาพวกน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรต่างๆที่มันติดอยู่ในผ้าให้มันออกไปคราบมันคงไม่ออกแต่อย่างน้อยพวกที่มันส่งกลิ่นเหม็นอะไรพวกนี้ก็มันก็จะได้หลุดได้เสร็จแล้วก็ไป ต้มแก่นไม้เป็นสีเหลืองๆมาย้อ ม, อมเป็นเป็นผ้ากาสาวพัฒน์เนสีสีเหลืองๆ เ, เรียกว่าผ้ากาสาวพัฒ์แล้วก็มาตัดตัดตัดเป็นผืนเพื่อไว้นุ่งหม่มก็มีผ้าสองผืนผ้าหม่มผืนหนึ่งผ้านุ่งผืนหนึ่งนี่คือผ้าของนักบวช สมัยพระพุทธเจ้าท่านอยู่แบบขอทานจริงๆเพราะว่าท่านไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลาบากของร่างกายเพราะใจของท่านนี้มีความสุขมากกว่าความทุกข์ของร่างกายที่จะมารบกวนใจท่านได้นั่นเองท่านก็เลยไม่เดือดร้อน ก, กับการอยู่แบบขอทาน แล้วก็ยารักษาโรค ก, ก็ไม่ต้องไปขอชาวบ้านท่านทำเองได้สมัยก่อนเขานิยมดอ ง, ดองยาด้วยน้ำปัสสาวะยาดองน้ํามูดมีผลไม้พวกสมออะไรนี่แล้วท่านก็เอาน้าปัสสาวะของท่านเนี่ยแช่มันไว้ดองยาแล้วเวลาไม่สบายปวดท้องปวดหัวก็ดื่มยานี่แหละรักษาโรคได้ ในสมัยนี้อินเดียคนอินเดียเขาก็ยังเ ด, เดิมน้ําปัสสาวะกันอยู่ในเมืองไทยก็มีเนี่ยมีคนเขาเชื่อว่าดื่มน้ําปัสสาวะแล้วรักษาเบาหวานได้พเพราะดื่มปัสสาวะแล้วน้ําตาลลดลงนี่ปัญญาวิเศษที่เราโยนทิ้งกันของดีๆเอาไปทิ้งกันไม่เก็บเอาไว้มาทําเป็นยากัน นี่คือนั่นแหละวิถีชีวิตของนักบวชท่านอยู่แบบขอทานเพราะท่านไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายท่านเอาเวลามาสร้างความสุขทางใจด้วยปัจจัยของของใจดีกว่าคือสมาธิคือปัญญาคือศีลแล้วพอใจของท่านมีความสุข ความทุกข์ยากลำบากของร่างกายเลยเป็นเรื่องเล็กจิ๊บจ้อยไปเพราะความสุขความทุกข์ของร่างกายมันเป็นเพียงขนาดหนูเท่านั้นเองเลี้ยงดูร่างกายดีขนาดไหนมันก็ได้แค่ความสุขขนาดหนูเนี่ยไปซื้อคอนโดแพงๆอยู่ไปซื้อเสื้อผ้าชุดละหมื่นละแสนมาใส่มันก็ได้ความสุขแค่ระดับหนูเท่า น, นอ่อยู่แบบขอทานมันก็ได้ความสุขระดับหนู อยู่แบบมหาเศรษฐีความสุขทางร่างกายมันก็เท่ากันเพราะกินข้าวมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมกินมื้อละห้าพันกับมือละห้าสิบมันก็อิ่มเหมือนกันใส่เสื้อผ้าชุดละหมื่นกับชุดละห้าร้อยมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันปกปิดได้เหมือนกันรักษาโรคที่โรงพยาบาลคืนละสามหมื่นกับรักษาสามสิบาททุกโรคมันก็รักษาได้เหมือนกันถ้าตายก็ตายเหมือนกัน ดังเรื่องอะไรต้องไปเสียเงินทองเยอะแยะเพื่อเลี้ยงความสุขระดับหนูนี่ทําไมเลี้ยงความสุขได้เท่าไหร่ก็ได้แค่ระดับหนูท่นเองอยู่คอนโดราคาสิบล้านอยู่บ้านราคาร้อยล้านกับเช่าเขาอยู่เดือนละสองพันมันก็เป็นบ้านเหมือนกันแล้วอ่ะมันก็นอนหลับได้เหมือนกันลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันเวลานอนหลับก็ไม่รู้ว่านอนอยู่ในบ้านร้อยล้านหรือนอนอยู่ในห้องเช่าสองพัน มันก็หลับเหมือนกันเนี่ยเนี่ยคือความจริงที่พวกเราไม่มองกันพวกเราถูกความหลงหลอกชอบของหรูหรูของสวยสวยงามงามของแพงแพงคือว่าถ้าได้ของพวกนี้มาแล้วจะมีความสุขมากไม่หรอกมันไม่สุขหรอกมันเท่ากันความสุขทางร่างกายของเศรษฐีกับความสุขทางร่างกายของขอทานนี่เหมือนกันถ้ามีข้าวกินอิ่มอิ่มเหมือนกันไหม ไปกินในบาร์ไอ้ในโรงแรมหมื่นหนึกับไปกินข้างถนนห้าสิบบาทมันมีความแตกต่างเขาไม่ถามท้องมันดูให้มึงรู้ไหมว่ามึงมึงกินข้าวราคาเท่าไหร่มันไม่รู้หรอกมันรู้ว่าอิ่มไม่อิ่มเท่านั้นเองเสื้อให้มันใส่เสื้อผ้าชุดละหมื่นกับใส่เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยมันก็ไม่รู้ว่ามันใส่เสื้อผ้าชุดละเท่าไหร่มันเพียงแต่รู้ว่าเออมีไว้กันหนาวก็ดีเวลาหนาวก็มีเสื้อผ้าใส่ อากาศจะได้ไม่มาทําให้น่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มีแมลงสัตว์กัดต่อยมาต่อยนั้นชุดละหมื่นชุดละห้าร้อยมันก็เหมือนกันให้ความสุขทางน่างกายเท่ากันแล้วเรื่องอะไรไปซื้อของแพงๆมาเมื่อมันทําหน้าที่ได้เหมือนกันก็เหมือนกับซื้อรถยนต์เนี่ยรถยนต์คันละห้าแ 0,000 นกับรถคันละห้าล้านมันก็รถยนต์สี่ล้อเหมือนกันใช่ไหม มันก็วิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันแล้วทำไมไปบ้าเสียเงินต้องห้าล้านเมื่อเสียห้าแสนมันก็วิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนี่แหละความหลงมันหลอกให้พวกเรามาเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายด้วยราคาแพงๆ แ, แล้วก็ได้ความสุขเท่ากัน ความสุขคนมีรถห้าแสนกับคนมีรถห้าล้านมันก็ไปไหนมาไหนได้เหมือนกันคนมีห้าแสนกับสบายใจกว่าคนมีห้าล้านเวลาไปจอดเนี่ยห้าล้านไม่รู้จะไปจอดที่ไหนเดี๋ยวถูกใครมาขวนมาขีดนี่หรือเดี๋ยวเกิดใครมาลักขโมยไปเนี่ยมันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัว ยังมีของแพงๆมีอะไรดีๆที่คิดว่าดีเนี่ยมันมีราคามีคุณค่าขึ้นมามันจะมาสร้างความวิตกสร้างความกังวลสร้างความห่วงใหญ่แทนที่จะมาให้ความสุขกับใจกลับมาให้ความทุกข์กับใจนะพวกเราจึงควรหัดอยู่แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเราถ้าเราอยากจะเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงเราก็ต้องทาตามครูบาอาจารย์ สอนครูบาอาจารย์ธทำนะท่านอยู่แบบมักน้อยสันโดษอย่าไปอยู่แบบมกับบกมากอย่าไปอยู่แบบโลภมากอย่าไปอยู่แบบหรูหราฟุ่มเฟือยผลมันเท่ากั น, นะแต่เหนื่อยกว่ากันเยอะถ้าอยู่แบบหรูหราอยู่แบบฟุ่มเฟือยนี่ต้องดิ้นโลนหาเงินหาทองมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ แล้วถ้าไม่ได้ก็ทําให้ใจวุ่นวายใจเสียใจหาเงินหมื่นกับหาเงินห้าร้อยอันไหนจะง่ายกว่ากันเราไปใช้เงินหมื่นทําไมใช้เงินห้าร้อยแล้วก็หาแค่ห้าร้อยก็สบายกว่าใช้เงินหมื่นก็ต้องหาเงินหมื่นมาใช้นี่คือปัจชญาของชีวิตเนี่ย ที่พวกเราไม่มองกันไม่รู้กันไม่คิดกันแล้วหลงกันเราคิดว่าถ้ามีของมาเลี้ยงดูร่างกายแพงๆหรูหราฟุ่มเฟือยเยอะๆแล้วจะมีความสุขเยอะที่ไหนได้ความสุขเท่าเดิมแต่กลับไปเพิ่มความวุ่นวายทางใจไหนจะต้องหาที่เก็บนะซื้อของมาแล้วเดี๋ยวก็ไม่พอเก็บแล้วเดี๋ยวตู้ก็เต็มละ เดี๋ยวก็ต้องมาหา ซ, ซ, ซ, ซ, ซื้อตู้ใหม่มาเติมอีกแล้วเดี๋ยวตู้ไม่พอก็หาห้องเลยทำห้องเก็บของไปเลยแล้วเอาไปใช้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้ก็เก็บมันไว้อย่างนั้นเวลาออกไปเที่ยวไปตามร้านเห็นอะไรชอบกซอ็ซื้อมาซื้อมาซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บไม่ได้ามาทำอะไรเพราะว่ามันเห็นแล้วใจมันร้อนขึ้นมา ถ้าไม่ได้ซื้อแล้วมันไม่หายร้อนพอซื้อแล้วมันถึงจะหายร้อนถึงจะเย็นลงถึงจะสบายใจขึ้นมาเนี่ยนี่คือเรื่องของความโง่เรื่องของกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวที่มาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามารักษาใจเลี้ยงดูใจ ด้วยการทำทานเวลามีเงินเยอะอยากจะใช้ของหรูหราก็เอาไปซื้อแล้วก็ไปให้คนอื่นแทนก็แล้วกันอย่าซื้อแล้วมาให้เราก็แล้วกันชอบกระเป๋าสวยๆซื้อแล้วก็เอาไปทำบุญชอบรองเท้าวสวยๆซื้อมาแล้วแล้วก็ไปทำบุญ <g ül> ดีกว่ า, าไปเก็บไว้ในห้อง <g ül> เหมือนกันใช่ไหมซื้อมาแล้วก็ไปเก็บไปใช่ไหมไมใช้บางทีครัง้งสองครั้งก็เก็บละ ญาติโยมอยากจะทำบุญไปเปิดในบ้านดูป่ะเปิดดูตู้ดูของที่เก็บไว้อะไรที่เก็บไว้เกินหนึ่งปีนี่เอาไปทำบุญเถิดมันแสดงว่าไม่ได้ใช้แล้วล่ะเก็บไว้อย่างนั้นเองได้มาแล้วก็รักขวงเสียดายแต่ไม่ได้ใช้เก็บเอามาเป็นภาระทำให้เราต้องเป็นปู่สมเฝ้าสมบัติไปไหนก็กังวลห่วงบ้านห่วงข้าวห่วงของ นี่คือวิธีทำบุญทำทานอันแรกคือเอาของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่ไปทำบุญเก็บไว้เท่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้จริงๆเสื้อผ้าเราใช้จริงๆวันละมีอยู่กี่ชุดกันเอาแค่นั้นชุดไหนที่ไม่ได้ใส่หกเดือนเมื่อปีหนึ่งแล้วเอาไปทำบุญรองเท้าก็เหมือนกันคู่ไหนที่ไม่ได้ใส่มาหกเดือนเมื่อปีหนึ่งก็เอาไปทำบุญรับรองในบ้านจะโลองเลย แล้วก็ดูแลรักษาง่ายเวลากวาดบ้านถูบ้านก็ไม่มีอะไรเกะกะถ้ามีข้าวของวางไว้เต็มไปหมดนี่จะกวาดบ้านถูบ้านแต่ละครั้งก็เหนื่อยต้องคอยขยับนวดขยับไปขยับมามันได้อะไรไม่ได้อะไรได้แต่ความเหนื่อยทางด้านจิตใจนะความเหนื่อยทางด้านร่างกายมาดูแลทรัพย์สมบัติ ต่างๆที่ไม่ได้ทําให้จิตใจเรามีความสุขหรือร่างกายของเรามีความสุ ข, ขเพิ่มแต่อย่างใด เ, เพียงแต่มันได้ความรู้สึกหลอกๆคือว่าโอ้หเห็นลราสวยหเห็นลราสุขเนี่ยเดี๋ยวเดียวเยวท่านั้นเองสุขเดี๋ยวเดียวทีนี้ก็เทก่กับการดูแลรักษามันนะั่นเองพระพุทธเจ้ายังสอนให้ทําบุญทําทา น, เ, นเบื้องต้นก็เนี่ยมีข้าวมีของสมบัติอะไรที่ไม่ได้ใช้ที่เก็บไว้เฉยๆนี่ย เอาไปทำบุญทาทานเถิดเอาเก็บไว้แต่ของที่เราใช้จริงๆนะของที่เราไม่ใช้เอาไปทำบุญทาทานแล้วจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเหมือนได้กินอาหารที่ใจเราหิวกับของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะมันไม่ได้รับอาหารไม่ได้ทำบุญทำทานมันเอาแต่ไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่มันคิดว่าได้มาแล้วจะทาให้มีความสุข แต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดสุขเดียวเดียวสูบบุหรี่ั๊บก็สุขพอสูบเสร็จความสุขก็หายไปความหิวอยากจะสูบบุหรี่วุใหม่ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับกินข้าวกินข้าวแล้วอิ่มกว่าจะหิวทีก็หลายชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนกันใจเราหิวเพราะไม่ได้ทำบุญทำทานกัน เอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติดซื้อแล้วก็ติดพอซื้อมาแล้วปั๊บวันสองวันอยากจะซื้อใหม่อีกแล้ว เราก็ไม่ไดเอามาใช้ทําประโยชน์อะไรเอามาเก็บไว้มาแขวนไว้อาจจะใส่ใช้ครั้งสองครั้งบางทีไม่ได้ใช้ซื้อของเครื่องประดับต่างๆเห็นไหมเห็นไอ้นั่นสวยเอามาประดับบ้านเห็นไอ้นี่สวยมาประดับบ้านเห็นต้นไม้นั่นสวยเห็นไอ้นี่สวยซื้อมาประดับซื้อมาแล้วก็เป็นภาระต้องมาดูแลรักษามันเนี่ยซื้อต้นไม้มานี่ต้องคอยรดน้ําให้มันต้องคอยมาตัดกิ่งตัดอะไร ไม่มีเวลาก็ต้องไปจ้างคนอื่นเขามาทำก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกเลยถ้าเอาของพวกนี้ไปทำาุหมืันก็หมดภาระไปเอาไปให้คนอื่นที่เขาอยากได้ให้เขาไปเราขอให้เรามีบ้านโล่งๆดีกว่าไม่มีแบบศาลาเงี้ยเวลากวาดทูมันง่ายเหมือนจเป็นจะต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเฟอร์นิเจอร์มีโซฟาอะไรเลยเหมต้องมีทีวีงทีวีไม่มีอะไรต่างๆ ของเพื่อเทียวพวกเรามีทั้งนั้นเป็นยาเสพติดทั้งนั้นของที่มีอยู่ในบ้านนะยกเว้นปัจจัยสี่ทั้งนั้นที่ไม่ใช่ยกเว้นอาหารเครื่องนึ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนอกนั้นที่เราซื้อมานี่เป็นยาเสพติดทั้งนั้นซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วก็ติดเลิกเสพยาเสพติดดีกว่าเลิกซื้อต่อไปนี้จะไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นต่อไปนี้จะไม่ ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปเที่ยวไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปช้อปปิง้งซื้อของไม่จำเป็นต่างๆเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานดีกว่าเอาบุญนี้ไปสงเคราะห์ไปช่วยคนที่เขาขาดแคลนทางด้านร่างกายคนที่เขาไม่มีอาหารกินคนที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัย คนที่เขาเดือดร้อนไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่คนที่ไม่มียารักษาโรคเป็นโรคภัยไข้เจ็บวันก่อนก็มีเด็กสายตาสั้นมาขอแวน่นอ่ะที่ไปก็ให้ไปตัดแว่นให้เขาเอาพอดูเรียนหนังสือดูไม่เห็นไม่มีแว่นตาสายตาสั้นช่วยเขาส า, ายตาสั้นซื้อแว่นให้เขาใส่ อขาเขามมีแว่นสายทีนี้ก็เห็นนะทีนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเรียนหนังสือรู้เรื่องเขาจะได้มีวิชาความรู้เพื่อที่เขาจะได้ไปทำมาหากินได้ไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ถ้าเขาเรียนไม่จบเขาไม่มีงานทําไม่มีรายได้เดี๋ยวเขาต้องไปขอคนนู้นขอคนนี้หรือไม่เช่นนั้นก็ไปขโมยเข้าของเงินทองของคนอื่นก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเนี่ย แต่ถ้าเราช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้ต่อไปเขาก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี่แหละคืออาหารของใจคือการทำบุญทาทานอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราเป็นการซื้อยาเสพติดถ้ามีอยู่ก็รีบเอาไป เอาเอาเอาไปแจกคนอื่นเอาไปให้คนที่เขาขาดแคลนให้กับคนขาดแคลนนี่ไม่ได้เป็นการให้ยาเสพติดเพราะเขาใช้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่เราไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เรามาซื้อมาเก็บไว้เรื่องมาใส่เพื่อให้ความให้เราเกิดความรู้สึกดีใจเดี๋ยวเดียวนั่นเองได้ใส่ชุดสวยๆงามๆแต่เรามีเป็นร้อยชุดเนี่ยใส่ไม่หมดหรอกเอาเท่าที่จําเป็นจริงๆที่ต้องใช้ ส่วนที่เหลือนี้เอาไปแจกดีกว่าแจกคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเราจะมีความสุขใจเขาก็มีความสุขใจที่เขาได้รับความทุกได้รับบรรเทาความทุกข์ยากเดือร้อนทางด้านน่างกายน่างกายเขาจะได้มีความสุขสมบูรณ์ถ้าเขายังไม่มีปัจจัยสี่สมบูรณ์น่างกายเขาก็ยังไม่มีความสุขที่สมบูรณ์ แต่เรามีความสุขทางร่างกายสมบูรณ์แล้วมีความสมบูรณ์หลายสิบเท่าแล้วเราเอาไปแจกอีกสักกี่เท่ามันก็ไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่อย่างใดถ้าเรายังมีสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้สาหรับเลี้ยงดูร่างกายอยู่พอเพียงมันก็ไม่ทำให้เราเดือดร้อนเสียหายหแต่อย่างใดกลับจะทำให้เราสบายใจไม่ต้องมาคอยดูแลรักษามัน อนี่นี่คือวิธีแรกของการเลี้ยงดูจิตใจด้วยการทําบุญทําทานเนี่ยมีของมากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็อเอาไปทําบุญทําทานดีกว่าหรือถ้ายาวเงินไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญทําทานการเที่ยวมันให้ความสุขเดี๋ยวเดียวเหมือนกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือ ย, เ, ยเป็นความสุขแบบควันไฟเวลาไปเที่ยวนี้ก็มีความสนุกสนานกันเนี่ย ถ่ายรูปกันส่งมาให้ดูกันพอวันนี้กลับมาแล้วเป็นยังไงหายไปหมดแล้วไปเที่ยวหยุดปีใหม่ห้าวันนะสนุกสนานกันเมากันอะไรกันนะพอถึงตอนนี้กลับมาทางานก็มาเครียดมาทุกข์กับการทางานเหมือนเดิมนะความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวหายไปหมดแต่ถ้ามกลางที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานไปให้อาหารใจ ตอนนี้ยังมีความสุขใจคิดถึงบุญที่เราทำยังรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ทำให้เขามีความสุขบ้างนี่คือเรื่องของการให้อาหารกับใจถ้าเรารู้สึกหิวอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้อยากได้ของฟุ่มเฟือยอยากไปเที่ยว อยากดูนั่นฟังนี่อยากกินนูน้นกินนี่โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกินสแสดงว่ามันมันหิวแต่อย่าให้พวกนี้มันอยากไปให้ของที่มันอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มเพราะมันเป็นยาเสพติดเอาไปเอาไปทำบุญให้มันไปทำบุญเอาเงินไปทำบุญทำทาน <c oughs> เราจะรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมา แ ล, แล้วต่อไปจะไม่ค่อยหิวกับการไปซื้อของต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะทุกครั้งที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยอยากไปเที่ยวก็ไปทําบุญมันซื้ออาหารดีกว่าไปซื้อยาเสพติดนะทุกครั้งที่เราอยากจะซื้อยาเสพติดเราก็ไปซื้ออาหารต่อไปความอยากซื้อยาเสพติดมันก็ไม่มีเพราะเราเลิกเสพได้เพราะเราไม่เสพมันนั่นเองฉันใดทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อของไม่จำเป็นซื้อของหรูหราพอเราไม่ซื้อมันเอาก็เอาเงินไปทาบุญทาทานต่อไปความอยากซื้อของเหล่านี้มันหายไปแล้วใจเราอิ่มเพราะอิ่มด้วยบุญที่เราทำนี้เองมันจึงทำให้เราไม่หิวกับการที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะไปเที่ยว ท, ที่นู่นที่นี่อันนี้คือท่านที่หนึ่งของการเลี้ยงดูจิตใจของพวกเราให้อาหารจิตใจ ขั้นที่สองก็ต้องหาเสื้อผ้ามาให้จิตใจใส่จิตใจก็เหมือนร่างกายถ้าใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆมันก็ดูน่าดูน่าชมถ้าไม่มีเสื้อผ้าเดินล่อนจอนี้ก็ไม่มีใครก็อยากจะดูเราจึงไม่กล้าออกจากบ้านโดยไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ก่อนจะออกจากบ้านต้องเตรียมหาเสื้อผ้าใส่ไม่กล้าออกไปไม่กล้าใส่ชุดนอนออกไปนอกบ้าน อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเราจะสวยจะ ง, งามก็อยู่ที่ศีลนี่แหละแล้วก็จะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็อยู่ที่ศีลร่างกายเรามีภัยคุกคามจากการไม่ใส่เสื้อผ้าคืออะไรคืออากาศหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นไม่ใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่ใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวก็เจอแมลงสัตว์กัดต่อยได้เดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยว พึ่งมาเกาะมาต่อยเป็นแพะเต็มไปหมดถ้าไม่มีเสื้อผ้าไว้ป้องกันเสื้อผ้ามีนี่มีหน้าที่ไว้ทําหน้าที่รักษาป้องกันร่างกายคือไม่ให้ถูกความหนาวเย็นมาทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยชนิดต่างๆมากัดทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วก็มาเสริมความสวยงามเสื้อผ้าก็มีส่วนทําให้คน นั่งกายนี่น่าดูน่าชมใช่ไหมเห็นคนที่เขาแต่งชุดเต็มยศเนี่ยดูแล้วแหมมันน่าประทับใจนะถ้านายหลวงใส่เสื้อผ้าธรรมดาเดินไปตามถนนนี่ใครก็จะรู้ว่าเป็นนายหลวงหรือเปล่านายหลวงออกจากบ้านทั้งทีก็ต้องใส่ชุดนายหลวงถึงจะดูสมอสมฐานนะใช่ไหมนายกนี่เยาะออกจากบ้านก็ต้องใส่ชุดนายกนะถ้าไปใส่ชุดคนขับรถเดียว ไม่มีใครร่วเป็นใครนเนี่ยนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าของร่างกายหน้าที่ของเสื้อผ้าของจิตใจก็เช่นเดียวกันคนมีศีลนี่จะปลอดภัยจากภัยที่มาคุกคามร่างกายแลจิตใจจิตใจก็มีภัยที่จะมาคุกคามอะไรที่จะมาคุกคามจิตใจก็คือพวกเดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานพวกเปรตพวกกสุนละกายพวกนรกเนี่ย จะเป็นตัวที่จะมาคุกคามจิตใจของคนที่ไม่มีศีลทำให้คนมีคนที่ไม่มีศีลนี้จะกลายเป็นเดรัจฉานไปกลายเป็นเปรตไปกาปาลก า, ยปกายเป็นนสุรกายไปกลายเป็นนรกไปแต่ถ้ารักษาศีลแล้วพวกนี้เข้ามาทำลายใจไม่ได้พวกนี้จะมาทำให้ใจกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ทำให้ใจกลายเป็นเปรตไม่ได้ทำให้ใจกลายเป็นนสุรกายไม่ได้ ทำให้ใจกลายเป็นนรกขึ้นมาไม่ได้เพราะศีลป้องกันไว้เหมือนกับเสื้อผ้าป้องกันโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากอากาศหนาวเย็นมีเสื้อผ้าหม่มเวลาอากาศหนาวแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเป็นไข้แล้วนี่ก็เหมือนกันเนี่ยศีลเป็นเป็นเสื้อผ้าอภรรไว้รักษาใจไม่ให้ตกไปในอบายนั่นเองไม่ให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนอสุรกายไม่ไปตกนรก ถ้ารักษาศีลห้าได้นี่คือป้องกันภัยมีหน้าที่ป้องกันภัยของจิตใจแล้วก็เสริมความงามของจิตใจนคนที่ไม่มีศีลกับคนที่มีศีลนี่ใครน่ารักกว่ากันเวลาจะเลือกคนเจ้าเอาคนโกหกกับคนไม่โกหกกันไหนดีกว่ากันคนที่ไม่ไปมีชู้มีอะไรกับคนที่มีชู้นี่คนไหนดีกว่ากันคนที่ไม่ ไปรักทรัพย์ของคนอื่นกับคนที่ไปชอบรักทรัพย์นี้จะเอาของใครดีกว่ากันะคนที่ไม่ดื่มสุรายาเมากว่าคนดื่มเนี่ยคนไหนดีกว่ากันคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกับคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนไหนดีกว่ากันดูตรงนี้สิดูดูความดีของคนที่มีศีลกับของคนที่ไม่มีศีลมันต่างกันไหมเวลาเราเลือกใครเรา เลือกไม่เป็นกันแล้วก็มาเสียใจภายหลังไปเมื่อไปชอบไปดูที่หน้าตาไปดูทางร่างกายเขาโอ้ยสวยร่างกายหน้าตาหล่อเหลาสวยงามใส่เสื้อผ้าสวยๆ ง, งามๆมีเงินมีทองมีบ้านช่องใหญ่โตแต่ไม่ได้ดูจิตใจของเขาว่าเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยเอาเงินจากที่ไหนมามารวยเพราะอะไรไม่รู้ ไปพนไปจี้ไข่เขาหรือเปล่าไปโกหกหลอกลวงไข่เขาหรือเปล่าไปช่อโกงหรือเปล่านี่เราไม่ดูตรงนั้นพอเลือกเขามาแล้วพออยู่ด้วยกันถึงจะเห็นคนเราจะรู้ใจกันก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันต้องอยู่กินด้วยกันถึงจะเห็นใจของแต่ละคนว่าเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเพียงแต่พบปะหน้าตากันนี่ไม่รู้หรอกมองไม่เห็นว่าเวลาเจอกันชั่วครั้งชั่วคราวนี้เหมือน จัดฉากได้ยิ้มหวานได้พูดจาสวยงามได้เป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรีได้รอไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไอ้ของพวกฉากนี้มันจะหายไปหมดเนี่ยเดี๋ยวตัวจริงมันจะออกมาเต้นละมาแสดงให้เห็นแล้วเดี๋ยวตัวมึงตัวกูก็มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้หายหเฮียก็ทำเอนี่แหละ เราจะเลือกคนนี่ต้องผัดอย่าเพิ่งแต่งงานกันอยู่กันอยู่อยู่ด้วยการใกล้ชิดกันสมัยก่อนเขามีวิธีมั่นไงพิธีมั่นเพื่อจะได้ดูใจเห็นกายแล้วแต่ยังไม่เห็นใจก็คบกันไปก่อนเอไปทําธุระอะไรไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันก่อนไปตกทุกข์ได้ยากร่วมกันก่อนถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นรักจริงหรือไม่ก<ๆ>็บอกให้ไปเดินขึ้นเขากัน ไปขึ้นผู ก, กระดึงเขึ้นที่จันทบุรีนี่เขาอะไรเนี่ยแล้วดูวคิดจะกูดเนี่ยแล้วดูว่ายังเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสติอยู่หรือเปล่ายังมีความเสียสละมีความอดทนอดกั้นกันอยู่หรือเปล่า น, นี่คือเรื่องของจิตใจ ถ้าอยากจะดูจิตใจให้ดูที่เขามีศีลหรือเปล่าเนี่ยดูห้าข้อนี้แล้วก็ดูว่าเขามีความเสียสละหรือเปล่าใจบุญสุนทานเมื่อเฟื่อหรือเปล่าอดทนหรือเปล่าอดกั้นหรือเปล่าเวลามีอารมณ์เสียระบายออกมาหรือไม่เนื้อเก็บไว้อดกั้นเอาไว้เวลาเจอความทุกข์ยากลำบากก็อดทนสู้กันไป ไม่ไปทำบาปทำกรรมเวลาเกิดความโลกก็ไม่ไปทำบาปทำกรรมรักษาความดีงามของตนไว้เนี่ยอันนี้แหละคือความสวยงามของจิตใจถ้าได้อยู่กับคนแบบนี้รับรองจะไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจเพราะเขาจะไม่มาทำให้เราเสียใจเพราะเขามีศีลมีมีคุณธรรม น, นี่คือเครื่องนึ่งห่มของจิตใจ ถ้าพวกเราอยากจะสวยอยากจะงามมารักษาศีลกันดีกว่าอย่าไปกังวลกับเรื่องความสวยงามทางร่างกายเลยเห็นยพระพุทธเจ้านี่เป็นขอทานใส่ผ้าผ้าบังสกุลผ้าหอ่อศพยังมีคนนักคนชอบเลยรักก็รักนานด้วยเนี่ยตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีนี่ยังไปหาท่านอยู่ทุกวันเห็นหี่ยมาบินไปอินเดียกันเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้ากันฮ ไปหาคนที่ไม่มีร่างกายที่สวยงามใส่เสื้อผ้าที่ขาดเสื้อผ้าที่เก่าเสื้อผ้าที่เป็นผ้าห่อศพอยู่ตามโคนไม้รักษาโรคภัยด้วยยาดองน้ำมูดแต่ทำไมเราไปกราบไปไหว้ท่านเราไม่ได้กราบไหว้เพราะท่านทะร่างกายของท่านเรากราบท่านเพราะความสวยงามของจิตใจของท่านท่านมีจิตใจมีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆมีความอดทนอดกลั้นมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่นี่คือคุณสมบัติของคนดีเรากราบคุณสมบัติของท่านเราไม่ได้กราบร่างกายของท่าน <c oughs> ร่างกายของท่านตายไปนานแล้วกลายเป็นพระธาตุไปหมดแล้ว <c oughs> ที่เราไปกราบนี่ไปกราบ นการมีศีลของท่านความสวยงามของท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการมาทําให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสวยงามนทําบุญทําทานก็ทําให้เราเป็นคนน่ารักขึ้นมาคนใจบุญนี้ใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าบอกคนที่ทําบุญเนี่ย ตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครมาปองร้ายด้วยยาพิษหรืออาวุธจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสถ้านั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายเวลาตายก็จะไปสวรรค์กันจะไม่ไปเกิดนิยบาย ถ้ามีบุญทำบุญทำทานรักษาศีลนี่คือเรื่องของจิตใจเรื่องของทำให้เครื่องอยู่อาศัยของจิตใจที่จะทำให้จิตใจมีความสุขและเป็นจิตใจที่สวยงามมีคุณค่าราคาใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดใครๆก็อยากจะเป็นเพื่อนเพราะอยู่ใกล้คนแบบนี้ต้องมีความสุขไม่มีความทุกข์ นี่คือเรื่องของอาหารกับเครื่องนุ่งห่มของใจคือทานกับศีลส่วนที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิความสงบเวลาใจไม่สงบใจบางทีก็วุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าอยากจะให้มันหายวุ่นวายก็หลบเข้าไปในบ้านของใจ บ้านของใจก็คือสมาธิไปนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธถ้าใจสงบแล้วความวุ่นวายใจก็จะหายไปเหมือนเวลาที่เราอยู่นอกบ้านเจออากาศร้อนเจอฝุ่นเจออะไรต่างๆเจอเรื่องเจอภัยต่างๆเราก็หลบเข้าบ้านเราเข้าบ้านเราปิดหน้าต่างเปิดแอร์เย็นสบายภัยที่อยู่นอกบ้านก็ตามเข้ามาไม่ได้สมาธิก็เหมือนกัน เรื่องวุ่นวายต่างๆที่ทำให้ใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับ<ม>เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจกอดแค้นกอดเคืองเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเรื่องของความไม่สบายใจทั้งหลายเนี่ยเราสามารถหลบได้หลบนี้มันได้ชั่วคราวด้วยการหลบเข้าไปในสมาธิเนี่ยถ้าเราไปฝึกนั่งสมาธิกันได้ ต่อไปเราจะไม่เราไม่เราจะไม่เดือดร้อนใจเวลาเดือดร้อนใจเรามีที่หลบ <c oughs> เหมือนกับร่างกายของเราไม่ค่อยเดือดร้อนกับภัยทางภพธรรมชาติเท่าไหร่มีฝนตกมีพายุมามีอากาศ ร, ร้อนมีอะไรเราก็หลบเข้าบ้านไปหลบภัยอย่างอื่นได้โดยโจนผู้ร้ายก็เหมือนกันหลบเข้าบ้านมันก็ปลอดภัย ถ้ามีสิงสาราศาสตว์ออกมาเพ่นพ่านเราก็หลบเข้าบ้านไปเราก็จะปลอดภัยทางร่างกายทางจิตใจเราก็มีภัยต่างๆเดี๋ยวก็เจอเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้เดี๋ยวก็เสียใจกับเรื่องนั้นเสียใจกับคนนี้เดี๋ยวก็โกรธคนนั้นโกรธกับคนนีน้เดี๋ยวก็วิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้ห่วงใ ย, ยคนนั้นห่วงใ ย, ยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ล้วนแต่เป็นเรื่อง ไม่สบายใจทั้งนั้นวิธีที่จะทําให้มันหายไปชั่วคราวก็คือหลบเข้าไปในบ้านนก็ไปนั่งสมาธิหลับตาพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวที่ทําให้เราไม่สบายใจพอไม่ได้ไปคิดถึงมันเราก็ลืมความไม่สบายใจมันก็หายไปความไม่สบายใจไม่ได้อยู่ที่เรื่องอยู่ที่ใจเราไปคิดถึงมันเองนั่นเอง พอใจแล้วไม่ไปคิดถึงมันมันก็หายไปอย่าตอนนี้เรามานั่งฟังธรรมเนะี่ยเมื่อก่อนจะมาอาจจะไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมาฟังธรรมปั๊บลืมไนปะลืมเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้อ ตอนนี้สบายใจเพราะว่าไม่ได้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้การฟังธรรมก็เป็นการฟังเหมือนกับเป็นการนั่งสมาธิแบบง่ายๆแบบไม่ลึกแต่ถ้านั่งคนเดียวหลับตาดูลมหายใจพุทโธนี้มันจะเข้าไปลึกมันจะลืมหมดเลยทุกอย่างแล้วมันจะมีแต่ความสุขความเบาใจสบายใจแล้วมันจะไม่อยากออกมา อยู่ข้างในแสนจะสบายเหมือนเวลาเราอยู่บ้านถ้าไม่มีความจําเป็นบางทีเราก็ไม่อยากจะออกนอกบ้านกัน่ออกนอกบ้านแล้ววุ่นวายนั่งรถก็ติดบนท้องถนนดีไม่ดีก็ไปทะเลาะกับคนขับรถ ด, ด้วยกันด่ากันไปด่ากันมาอยู่บ้านสบายกว่าแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องออกก็ต้องออกใจก็เหมือนกันหยุดสมาธิได้ชั่วรขาวก็ต้องออก ออกมาเดี๋ยวก็ต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายนี่ถ้าต้องการที่จะแก้เรื่องวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนโรคของใจก็ต้องใช้ยามารักษาคือใช้ปัญญาปัญญานี้จะมาสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆกับเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้เราไม่วุ่นวายใจได้วิธีปฏิบัติก็คือให้มองเขาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เขาไม่แน่นอนเราอย่าไปหวังให้เขาแน่นอนเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข้วันนี้อาจจะดีกับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้ายกับเราวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปยึดอย่าไปกิดว่าเขาจะต้องดีเสมอไปเขาดีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็อาจจะร้ายขึ้นมาก็ได้ให้มองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอน อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังอะไรจากมันเพราะหวังแล้วเดี๋ยวเวลามันไม่เป็นตามที่เราหวังมันจะทำให้เราเสียใจทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมานั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงอ น, นิจจ์ถ้าเราไปเห็นว่ามันเที่ยงเดี๋ยวพอมันเป็นอ น, นิจจงมันจะทำให้เราทุกข์ขังกันถ้าเราคิดว่าเขาจะดีไปตลอดดีกับเราไปตลอดพอวันดีขึ้นดีเขากลับมาด่าเรานั้นมาว่าเรานี่ เราจะเสียใจมากเพราะเราผิดหวังเราไม่คิดว่าเขาจะมาร้ายกับเร า, าเราต้องคิดเผื่อไว้ว่าวันนี้เขาดีพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้หรือก็อาจจะเจอคนอื่นที่ดีกว่าเราก็ได้เพราะพอเขาเห็นคนอื่นที่ดีกับเราเราก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาไปแล้วเขาก็ไม่ดีกับเราต้องคิดว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งต่างๆที่เรายึดติดให้ความสุขกับเรา เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็หมดได้หรือเปลี่ยนไปได้เพราะมันเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าเราควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเป็นของเราดีกับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้วันดีกนดีมันก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปอยู่ดีๆก็หมดลมหายใจไปก็มีแต่งงานกันไม่กี่วันตายไปก็มีเป็นเจ้าสาวได้สองสามวันเจ้าบ่าวตาย ทีนี้ก็มาล้างผมล้างให้เป็นแม่ไหมไปใชแล้วหม้ข้าวยังไม่ทันดํามันกลายเป็นแม่มไหมไปใเนีหยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกนี้เยถ้าคิดอย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครมารับประกันได้ว่าจะเป็นเหมือนอย่างที่เราต้องการเสมอไปถ้าเรามีปัญญามองโลกแบบนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเองวันนี้สุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกข์อ่ะทุกข์ก็รับัไป เหมือนกับเรารับกับความมืดกับความสว่างตอนนี้สว่างเราก็รับมันเดี๋ยวเย็นนี้มันมืดเราก็รับมันแต่ถ้าเราไปคิดว่าโลกนี้ต้องสว่างทั้งวันทั้งคืนไม่มีความมืดพอมันมืดขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะวุ่นวายใจขึ้นมาทันที น, นี่คือปัญญาที่เราจะต้องหัดคิดกันใช้กันของดีๆของวิเศษที่จะมารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้ เพียงแต่เนึกอยู่เรื่อยๆว่าไม่เที่ยงคำเดียว อ, อนิจจังคำเดียวไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะไปสั่งให้มันดีกับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่หมดไปถ้าเราไปยึดไปติดมันมันก็จะทำให้เราทุกข์ นี่คือปัญญาที่จะมารักษาความวุ่นวายใจเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านคือสมาธิของเราเพราะเรายังต้องออกมาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เราก็ต้องมีปัญญาเหมือนยาคอยกินอยู่เรื่อยๆคอยกินยาอยู่เรื่อยๆยาคุมพอมียาคุมแล้วเชื้อโรค ก, ก็จะไม่เข้ามาเข้ามาก็ทำทาทาให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ เช่นเราไปฉีดวัคซีนกันนะเวลามีโรคระบาดนี่เราต้องรีบไปฉีดกันนะพอฉีดเสร็จที่นี่เราก็มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายก็ไม่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่ได้ฉีดนี่พอเชื้อโรคเข้ามามันก็ไม่มีภูมิต่อสู้เชื้อโรคเชื้อโรค ก, ก็ระบาดไปทั่วร่างกายทําให้ร่างกายเจ็บถึงตายได้ดังั้นเราหมั่นพยายามฉีดวัคซีนกินยากันอยู่เรื่อยๆ นึกถึงอนิจจังอยู่เรื่อยๆนะนึกถึงอนิจจังนึกถึงอนัตตานึกถึงทุกขังเออแต่อานิจจังเนี่ยตัวสําคัญที่สุดอนัตตาก็คือเราห้ามอะไรไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้ทุกครั้งไปบางครั้งก็สั่งได้บางครั้งก็สั่งไม่ได้ งั้นอย่าไปหวังว่าจะสั่งได้ทุกครั้งไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวบางทีมันยาวข้าวผัดมาให้กินก็นมนะีเป็นที่ร้านบางทีเด็กมันใจรอยเราสั่งกว๋วยเตี๋ยวมันไปคิดว่าเราสั่งข้าวผัดนะเอาเมื่อกี้พี่สั่งข้าวผัดไม่ใช่นะเนะ่เนนี่คือเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้งั้นอย่าไปผูกมัดจิตใจกับมันว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไป แล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจถ้าเรามีปัจจัยศีลแล้วของใจแล้วใจเราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับร่างกายของเราหรือเกิดเหตุการณ์กับใครก็ตามมันจะไม่สามารถมาทําให้ความสุขในใจเหล่านี้หายไปความสุขที่เราได้จากการมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่มันจะ วกป้องรักษาใจของเราให้มีความสุขตลอดเวลาความทุกจากคนนั้นคนนี้จากเรื่องนั้นเรื่องนี้จากร่างกายของเรานี้มันไม่มีน้ําหนักมากมันเป็นแค่เหมือนกับตัวหนูทน่านน่ความสุขที่เราได้รับขนาดตัวช้างนี่มันสบายมันไม่เดือดร้อนยังไม่เวลาช้างถูกหนูกัดไม่เดือดร้อน <laughs> เวลาช้างเหยียบหนูนี่เดื อ, ด, อดร้อน <laughs> นั่นแหละคือเรื่องของความสุขทางใจที่พวกเราไม่รู้จักกันไม่รู้จักวิธีสร้างกันวันนี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจให้กับพวกเราแล้วนามาสอนพวกเราถ้าพวกเรานําเอาไปปฏิบัติต่อไปเราจะมีความสุขทางใจตลอดเวลาแล้วเราจะทําให้เราไม่เดือดร้อนกับความทุกข์จากเรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้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 อิตชีตังปะทิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุจังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติอาระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวะตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทาติอายุวโนสุขังภาลาง อาจารย์จะเาน้ํามาลงสักร้อยแพะก็จะลงตรงไหนดีจะลงที่โรงเรียนได้ไหมได้โรงเรียนยศศผู้รู้ยศศไปได้ไปที่หน้าวัดเนี่ยอยู่ประมาณสักออกจากหน้าวัดไปกิโลหนึ่งแล้วมีทางเลี้ยวซ้ายฐานชาวบ้านแถวนั้นมีปากทางจะในบ้านอยู่ค่ะโรงเรียนเลยนะโรงเรียนผู้รู้ยสสศเป็นไหนแล้วคุณจตุน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก็โทรศัพท์กับคุณบอยก็แล้วกันวันอาทิตย์จะมาส่งร้อยแพะค่ะโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชค่ะจ้ะ ตรงเรืนี้พระสังฆราชสร้างขึ้นมาตรงเรียนมหนึ่งมสองมสาโรงเรียนกินนอนเราต้องต้องการของพื้นํานะเดี๋ยววันอาทิตย์ให้โรงงานมาส่งร้อยแพคค่ะแล้มาตรงนี้เราก็ต้องขนไปดีค่ะหลวงพ่อดีค่ะนะคะไปส่งที่นู่นเลยค่ะคนหาใน a ฟ e b o o กก็ได้มงเรียนผู้รู้มีมีเรียนผู้รู้นะคะยส80ได้ค่ะหลวง่อสาธุข้าสาธุ ใครอยากจะทำบุญของเยอะๆอย่างนี้มีโรงเรียนสมเด็จพระสังฆราชสร้างขึ้นมาหมหนึ่งถึงมสามเป็นโรงเรียนกินนอน ท, ที่นู้นมีภาพรปริยัติหนังสือด้วยใช่ไหมคะ อ, อ๋อไม่มีเป็นโรงเรียนของเด็กที่ยังไม่ได้บวชนะออแต่มีภาพไปสอนธรรมะให้ได้ค่ะของหลพม่มีมีโรงเรียนสอนสอนพระพิสุกสงฆ์ด้วยไหมคะ อ, อ๋อที่นี่ไม่มีนี่มีนี่ โรงเรียนนี้เขารับเด็กมาอยู่ฟรีกินฟรีสามปีมอหมอาานึ่งถึงมสามกินโรงเรียนกินนอนให้เรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีซื้อเครื่องแบบซื้ออะไรทุกอย่างให้เลี้ยงฟรีนั้นก็ต้องการความช่วยเหลือใครอยากจะทําบุญข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆน้ำเนืมอุปกรณ์การเรียนก็อุปกรณ์การกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยเชิญทําบุญที่โรงเรายาีรายานผู้รู้ยอสอสอได้ ว่าเป็น ส, สมเด็พระสังฆราชยานสังวรท่านเป็นผู้สร้างขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชวนเพื่อนเปิดกองบุญมาร่วมทำดได้เราก็เลยมารับพระราชต่อมาช่วยช่วยสนับสนุนโรงเรียนเขามีหน้าเฟ e b ุ๊ k น้องค้นหาดูโรงเรียนผู้รู้ยศอสอสแปดศูนย์เนี่ยเปิดดูได้ก็มีเฟ e b o o k อยู่ บางท่านมีวันเกิดเขาก็ไปเลี้ยงที่เลยงเด็กที่โรงเรียนนี้วันเกิดไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียนนี้ซื้ออุปกรณ์การเรียนสมุดหนังสือซื้อเครื่องกีฬาลูกปิงปองแบดมินตันอะไรต่งตางๆแล้วแต่จะศรัทธาตอนนี้โรงเรียนนี้สร้างมา25ปีแล้วอาคารต่างๆเริ่มชารุดทรุดโทรมก็ต้องมีการบรระซ่อมแซม บางหลังก็ต้องรื้อสร้างใหม่เพราะมีทั้งห้องเรียนแล้วก็มีหอพักเรียนหอพักนอนนักเรียนก็รับปีละสี่สิบห้าคนเป็นอย่างมากชั้นละสี่สิบห้าคนสามชั้นก็ร้อยสามสิบห้าแต่ปีนี้ไม่ถึงรู้สึกปีนี้มีแค่ประมาณเก้าสิบมั้งแต่ก็ไม่แน่บางปีก็มากโรงเรียนนี้อยู่นอนกินนอนสอนจริยธรรมด้วย ให้รู้จักความกตัญญูกตวเวทีให้มีสัมมาคา ร, ระวะให้รู้เรื่องศีลเรื่องธรรมมี้าไปสอนทุกวันพระโรงเรียนไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์จะหยุดวันพระวันโกนแล้วก็เด็กมหนึ่งพอจบก็จับบวชสิบห้าวันก่อนปล่อยให้กลับบ้านบวชเน้นก่อนทุกปีจะมีบวชสมามเน้ภาคฤ ด, ดูร้อนโดยมีโรงเรียนนี้เป็นตัวตัวหลัก แล้วก็มีลูกของญาติโยมที่อยู่ที่มาทำบุญที่วัดมาสมทบบวชด้วยฉะนั้นปีนก็จะมีสมาเนนมาบวชเนนประมาณห้าสิบหกสิบคนหรือมากกว่านั้นบางปีก็มากบางปีก็น้อยอันนี้ก็พอดีมีเหตุการณ์ให้พูดก็เลยพูดขึ้นมาเท่านั้นแล้วแต่กายมีศรัทธา อยากจะทําบุญในรูปแบบอื่นนอกจากทําบุญกับวัดแล้วทําบุญกับพระแล้วก็ทําบุญกับเด็กนักเรียนนักศึกษาก็ได้ได้บุญเหมือนกันบุญคือความเสียสละความสุขที่เกิดจากความเสียสละอุทิศได้เหมือนกันอุทิศให้คนตายได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องทําบุญกับพระถึงจะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ลงลับไปแล้วได้อันนี้ บางทีวัดก็มีมากเนี่ยของที่มีมากที่นี่เหลือก็ส่งไปให้โรงเรียนส่วนหนึ่งแบ่งไปแบ่งให้ป่าไม้เจ้าหน้าที่คนที่ดูแลป่าไม้ดูแลสถานที่เครื่องใช้ต่างๆกระดุกกระดาษอะไรที่พระมีพอแล้วก็พระก็แบ่งไปอีกส่วนก็ส่งไปตามตาม่ตางจังหวัดไปวัดที่ไกลวัดกันดาล เวลามีภาพป่ามีกระถินนี่ก็ฝากเข้าไปกันอันนี้ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเพียงแต่วันนี้นึกคึกขึ้นมาเลยมาเล่าให้ฟังหน่อยปกติแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องบอกบุญอะไรเท่าไหร่อยากจะพูดเรื่องธรรมะมากกว่าวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามถ้าใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว ก็หลังจากเลิกแล้วเราจะของวดถามและวัดตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา431คน YouTube 376วิทยุออนไลน์20รับฟังข้างบนนี้47คนรวมทั้งหมด874ครับอาจารย์โกจะถามใช่ไหม นี่แฟนเก่าหายไปนานพูดเบาๆ น, น้นีเสียงแปดหลอดนนำ้ำัสกาอาจารย์ครับหลังจากที่ทำตลอดชีวิตที่ทานครบทานสี่แล้วตัวทานที่แท้จริงกลับคืนมามีานิสง์เมื่อไม่นานนี้เองตอนนั้นที่ได้กล่าวถึงเรื่องคนติดหนตติดสิน แต่ตัวเองก็ยังไม่เคยสนใจก็ทําไปเรื่อยทําทานวิทยาทานธรรมทานและอภัยทานท้ายที่สุดคนที่ติดหนี้เราก็อเอาตังค์มาคืนทั้งๆ ง, งที่เราสละไปหมดว่าเธอจะให้ฉันไม่ให้ฉันฉันก็ไม่สนละแต่จริงในใจเลึกๆอก็ยังสนว่าทาไมเธอไม่เห็นให้ฉันอยู่ดีอาจารย์หนูก็ยังลายอยู่นะเวลาที่แบบเขาไม่ให้เราเนี่ยออหนูก็ยังแบบว่าือเนี่ยแต่ท้ายที่สุดอาจารย์ทุกวันเนี่ยคนที่ติดเนี่ย เขาเอาตังมาใส่กระเป๋าเพิ่งรู้นะว่าอา น, นิสงส์จักรทานเนี่ยวิญยาณธรรมทานเนี่ยมันงอกออกมาทีละตัวทีละตัวแล้วท้ายที่สุดพอมันส ม, สมบูรณ์แบบปับ๊บตอนนี้เหลือแค่ตัวสุดท้ายเองนะอภัยทานนะ mm. เพราะโกกลับไปกลับมาไม่ถูกว่าเอ๊ะเขาไม่ให้อภัยเราเวลาเขามองเราก็มองด้วยความเหยียดหยามแล้วเราจะทําหน้ายังไงเมื่อเขาเห็นหน้าเราเขาไม่ชอบเราตั้งแต่วันแรกที่เห็นนะฉันยังไม่ได้ทําอะไรเธอเลย เนี่ยอาจารย์เราเข้าใจผิดไงการให้อภัยทานนี้เราไม่ต้องการอะไรจากเขาการให้อภัยทานเพื่อดับความทุกข์ใจของเราความโกรธความเกลียดของเราไม่ได้ไปหวังให้เข้ามาดีกับเราหรืออะไรกับเราเนี่ยเรามองผิดเป้าผลของการให้อภัยทานอยู่ที่ใจทําให้ใจสงบเย็นสบายคะแล้วก็เรื่องที่การกินตอนหลังกินไปกินมาเวลา ไปเขี่ยโดนเป็ดชิ้นหนึ่งกลายเป็นซากศพตกใจสัเก็อบตายวันนั้นกิ่นแล้วเหม็นกิ่นแล้วรู้สึกเป็นศพกิ่นแล้วรู้สึกมีกลิ่นขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เป็ดซะแล้วแล้วรู้สึกขแยงขนตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอา น, นิสงส์ของการเริ่มเข้าสู่การที่ไม่เบียดเบีย น, นกันเริ่มเข้ามาซึ่งซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นเองโดยโดยตกใจนะอาจารย์กินแล้วเป็นเองเออ ตัวสุดท้ายสิ่งเล้าที่เกิดขึ้นเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ตอนนั้นที่โกฟังอาจารย์โกก็ไม่สำเนียกก็เลยไม่เข้าใจว่าตาหูจมูกเลิ้นกายตอนเราปิดมันหมดมันก็ยังกระโดดได้ด้วยใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดตาปิดหูปิดจมูกแล้วทั้งหมดพุทธะ เราก็ยังเหลือใจที่กระโดดไปกระโดดมาทุกวันนี้ทำได้แต่ตอนซอยผมเพราะตอนซอยผมใจเป็นศกมากสมถะไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งสี่โมงครึ่งยังไม่รู้ตัวเลยว่าซอยเสร็จแล้วแต่ว่าพอหลังจากที่ซอยเสร็จเสียาจาย์ความต่อแหลของใจเนี่ยมันก็กระโดดปุ๊บป๊ปุ๊บปุ๊บป๊ป๊ปปป๊อะไรของมันก็ไม่รู้หนูก็ยังไม่ไม่สามารถลจนทุกวันนี้ก็พิง่งสติไง ไม่มีสติต<อ>สตหรอคตอน<ะ>ที่ซอยผมเรามีสติอยู่การซอยผมมัน<อ>ก็เลยไม่ไปมันไม่เลยทำให้มันแสดงฤทธิ์ออกมาไม่ได้ออตอนนั้นรนิงจพอเราหยุดซอยผมเราไม่มีสติแล้วทีนี้มันก็ออกมาเล่นเลยแล้วแล้วตอนที่ขยับอ่สุขทุกโลกรรม8แปมีสุขมีทุกเป็นเครื่องกับสรเสริญ น, นินทาราบสมราบยศสมยศตอนนั้นกูก็ยังไม่รู้นะว่าการขยับให้อยู่ตรงกลางหน้าตาเป็นยังไงพอถึงเราเสพสุข ทุกก็ขยับมาพอเสพทุกสุขก็ขยับมามันขยับของมันได้ตลอดตอนนี้เลยจะใช้มาตรฐานของปรารถนาและไม่ปรารถนากําลังทําอยู่ครับอาจารย์เ อ, อทําใจให้เป็นกลางทํำมือเป็นอุนเบกขาก็ต้องใช้สตินี่แหละพุโทโธพุโทโธไปอย่างเวลาทําผมนี่ก็มันไม่ก็ไม่มีปรารถนาหรือไม่ปรารถนาใช่ใชไม่มีนั่นแหละเพราะมันมีสติอยู่กับการทําผมมันคือมันออกไปไม่ได้นะอาจารย์กางไกลมันจะจิ้มนิ้วนะ ควรจะฝึกต่อหลังจากออกจากสมาธิมาก็ฝึกเหมือนกับตอนที่เราทําผมที่ก็มาดูร่างกายดูการกระทําอย่างอื่นของร่างกายต่อไปการกระทําอย่างอื่นอของร่างกายเอเอเช่นพอหยุดทําผมมาทําทําความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือก็มีสติเหมือนกับตอนตอนที่ทําผมต่อสิอ๋อให้มันคล้ายกันเออให้มันคล้ายๆให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่ไอตัวที่เป็นกิเลสมันก็จะออกมาเพ่นพ่านไม่ได้อืม เราทําแต่เฉพาะตอนที่ทําผลอย่างเดียวนยเะเวลาไม่มีผมไม่ได้ทําผมไม่ใจไปแล้วสิไม่ยอมอยู่กับงานที่เราทำแล้วใช่นะเพราะว่าตอนหนูทําผมยากที่จะออกไปเพกลัวเสียฝีมือใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ก็อับเพลงเพลงก็หมดไปละจําช่องธรรมะทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นละจาช่องธรรมะทั้งหมด <c oughs> ก็จะมีความสุขในการฟังโดยเฉพาะ หลวงตามหาบัญยาสัมปันโนว่เราฟังแล้วมีความสุขใจเป็นปลามังสุขขังวันก่อนหลวงตามหาบัวให้ให้เราจับให้รู้จักกับกายกับใจที่แยกกันพอฟังแล้วเข้าใจเพิ่งเข้าใจทุกวันนี้ว่า มันแยกกันอาจารย์เพิ่งเข้าใจนี่เองเออมันคนละคนไงเป็นฟ้าแฝดเนี่ยแฝดสยามแต่มันติดกันอยู่ด้วยวิญญาณวิญญาณมาเกาะทางตาหูจมูกแล้วตอนหลับอาจารย์ตอนหลับอ่ะตอนหลับมันก็พักชั่วข่าวมันหมดสติมันก็แยกชั่วข่าวอ่ะแล้วตอนฝันอาจารย์ตอนฝันมันอยู่ในใจล้วนๆไม่ได้อยู่ที่ร่างกายโอ้กายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวะ เหมือนกับตอนตายก็เหมือนกันตอนอก็ตอนตายเหมือนกันอ๋อมันเป็นฝาแฝดกันอยู่ใช่ไหมจันแต่เวลานอนหลับกับตอนตายมันแยกกันแต่ตอนตื่นมันถึงมาติดกันต่อให้เราได้ชานอะไรร่างกายก็ยังสามารถทำริดกับเราอยู่เจ็บป่วยเกิดเรื่องเรื่องนี้เรื่องนั้นเราไม่สามารถจะเคลียร์มันออกไปเลยได้ใช่ไหมจันใช่แต่เราสามารถไม่ไม่ต้องไปไปแบกมันได้ให้รู้เฉยเฉย รับรู้เฉยๆเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เราเราไปแบกมันกูเคยทำได้ครั้งเดียวตอนทำฟันแล้วไม่ไม่ชิดยาชาและพุโทโธท้ายที่สุดก่อฟันยังไงก็ไม่เจ็บเคยทำได้ครั้งเดียวนั่นแหละต้องมีสติถึงจะถึงจะแยกก็ออกจากกันได้ ครับอาจารย์หมดคําถามห้าคำถามที่ไม่ได้มาหาอาจารย์หนัวแย่เลยหนูก็เป็นง่อยไปแล้วขอให้หายสินะหายดีแล้วใช่ไหมหายแล้วค่ะเพิ่งมาออแล้วก็สอนหนังสือเราต่อเลยอดีสวยสุขภาพแข็งแรงไปทั้งปีนะสาธุสุขพลังสุขังอาจารย์คําถามจากคุณชนธิดาการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้อื่นและการยกบุญทั้งหมดให้กับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไรครับ เหมือนกันแหะมันเป็นการแค่เป็นวาทะเป็นคำพูดแต่การอุทิศบุญการแบ่งบุญนี่มันเป็นไปตามความเป็นจริงคือบุญที่เราจะแบ่งให้ผู้ตายได้มันเป็นบุญเหมือนน้ําที่ติดอยู่ในแก้วเราถึงแม้ยอยากจะยกให้เขสร้างแก้วก็ให้เขาไม่ได้เพราะวิธีส่งวิธีรับมันส่งและรับได้เท่านั้น มันก็ส่งจดหมายนะจะไปส่งบ้านไปทางจดหมายก็ส่งไปไม่ได้ใช่ก็ส่งรูปถ่ายไปแทนอันนี้ก็เหมือนกันจะส่งน้ำที่อยู่ในแก้วทั้งแก้วไปก็ส่งไปไม่ได้ส่งได้เพียงแต่น้ำที่ติดอยู่ในแก้วที่เวลาเราเทน้ำทิ้งไปแล้วก็เหลือน้ำที่ติดอยู่ในแก้วนี่คือบุญอุทิศเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้จะไปอยากจะอุทิศทั้งแก้วทั้งอะไรก็พูดไปแต่มันก็ไม่เป็นผล คำถามจากผู้ฝากถามถ้าเราเคยโดนทำร้ายมาพอเราเจอคนลักษณะเดียวกันกับคนที่เคยทำร้ายเราเราจะไม่สามารถรับฟังหรืออยู่ใกล้เขาได้เลยไม่ว่าคนที่เจอนั้นจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามเจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าหนูควรปฏิบัติอย่างไรเพราะเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติเจ้าค่ะไม่สามารถห ล, หลุดจากตรงนี้ได้เลยเจ้าค่ะเพราะเรายังทำใจไม่ได้ทำใจเฉยๆไม่ได้ ยพยายามฝึกสติให้มากๆขึ้นให้มีอุเบกขาพอต่อไปมีอุเบกขาแล้วก็อยู่กับใครก็ได้ชอบก็อยู่ได้ไม่ชอบก็อยู่ได้ตอนนี้ใจเรายังอ่อนไหวง่ายไม่มีสติเป็นตัวคอยเหนียวลังไวงั้นพอเกิดอาการตอนนี้ต้องรีบบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดึงใจให้กลับมาเฉยเฉยอย่าไปสนใจกับเขาคำถามจาคุณบัญชา หากเราเห็นร่างกายเราเป็นอนัตตาแล้วทำไมเราถึงรู้สึกเป็นอัตตาสงสารตัวเองที่เป็น่าแห่งตันหาจนทำให้น้ำตาไหลตลอดครับก็เราเห็นที่ตาแต่เรายังไม่เห็นที่ใจเราเห็นที่ความคิดแต่ยังไม่ได้เห็นที่ใจใจยังไม่ได้ปล่อยใจยังยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ <c oughs> เพียงแต่คิดว่าออมันไม่ใช่ตัวเรา แต่พอถึงเวลาเราก็ยังยึดติดว่ามันเป็นตัวเราอยู่เหมือนเดิมเราต้องปล่อยวิธีจะปล่อยก็ต้องมีเหตุการณ์มาบังคับให้เราปล่อยเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายแล้วตอนนั้นถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์ถ้าปล่อยก็จะหายทุกข์ถ้าปล่อยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นคนรับใช้เราเราเป็นเจ้านายมันเราเป็นแฝดพี่มันเป็นแฝดน้อง มันจะไปก็ต้องให้มันไปห้ามมันไม่ได้พอถูกเหตุการณ์บังคับให้ปล่อยมันก็ปล่อยพอปล่อยแล้วมันก็รู้ว่าอ๋อปล่อยได้แล้วทาได้แล้วต้องมีเหตุการณ์มีความทุกข์เข้ามาเป็นตัวที่ทำให้เราต้องคอยกาจัดความทุกข์พอเราไม่ต้องการทุกข์กันทุกข์ก็เกิดจากการไปยึดไปติดของนั้นเองยึดยึดติดร่างกายพอรู้ว่าต้องเสียมันก็ทุกข์ พอรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยพอปล่อยแล้วมันก็หายทุกข์เนี่ยพอมันหายทุกข์มันก็รู้ว่าเอาปล่อยได้แล้วเทนี้ไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วไม่ไม่ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วคำถามจากคุณวิจัยบุญที่ข้าจุนเราโดยมาแข่งกับบาปของเราไม่ให้เราตกอบายบุญนั้นจะถือว่าถูกใช้ไปแล้วหรือเปล่าครับยังถ้ายังไม่ตาย ยังยังไม่ได้ม า, ม า, มาออกมาใช้ใช้บางส่วนแต่ยังมีอยู่แล้วใช้เพียงบางส่วนคือเวลานอนหลับก็ฝันเวลาฝันดีก็บุญออกมาแสแดงว่าบุญมีมากกว่าบาปเนี่ยถ้าเวลาฝันร้ายก็สแสดงว่าบาปมีมากกว่าบุญเวลาตื่นถ้ามีความทุกข์ใจมากกว่าความสุขใจก็สแสดงว่าบาปมากกว่าบุญ ถ้ามีความสุขใจมากกว่าความทุกข์ใจก็แสดงว่าบุญมีมากกว่า บ, บาป <c oughs> แล้วมันจะไปใช้กันอย่างเต็มที่ก็ตอนที่ร่างกายตายไปแล้วตอนนั้นมันต้องอาศัยบุญกับบาปเป็นผู้ที่มาให้อะไรเป็นเครื่องแก้เหงาใจมันอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆไม่ได้มันต้องมีรูปเสียงกลิกก่นนสต่างๆมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดจากการทาบุญมาให้ดูหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการทาบาปมาให้ดู มาเสกท่าะนั้นนี่ยมันจะเริ่มใช้บุญใช่บาปนะคาถามจากคุณภัยทูลพระกรรมฐานท่านแบ่งเวลาอ่านหนังสือธรรมะและภาวนาอย่างไรครับก็แล้วแต่ละองค์นะบางองค์ท่านถ้าท่านปฏิบัติเข้มข้นท่านบางทีท่านก็ไม่อ่านหนังสือเลยก็ได้ท่านก็ใช้เวลาเจริญสติสมาธิปัญญาสลับกันไป ส่วนธรรมะก็รอให้ครูบาอาจารย์เรียกบาอบรมฟังเทศฟังธรรมไปแต่บางองค์ท่านอาจจะมีแบ่งเวลาบ้างก็ได้สําหรับเราเราก็แบ่งวันละชั่วโมงระหว่างที่เราทําสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือพิจารณาทางปัญญาเราก็แบ่งไว้ชั่วโมงมาอ่านหนังสือธรรมะมาเอาปัญญาของครูบาอาจารย์เพราะปัญญาของเราบางทีมันยังแคบยังไม่กว้างพอ พอได้อ่านหนังสือคาสั่งคาสอนของครูบาอาจารย์มันก็ทําให้ความรู้ความเข้าใจกว้างขวางมากขึ้นคำถามจะคุณสิริปรียาถ้าใจเราร้อนรนเหมือนความร้อนสุมอยู่ในใจต้องแก้อย่างไรเจ้าคะ่ะก็ต้องใช้สติหยุดมันใช้สติพุโทโธพุโทโธหรือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้หรือถ้านั่งสมาธิได้ก็นั่งดูลมหายใจเข้าออก ควบคุมความคิดหยุดความคิดเพราะความคิดเป็นตัวสร้างความทุกข์ร้อนให้กับใจพอเราหยุดความคิดได้ความร้อนใจก็จะหายไปคำถามจากคุณวิจารณ์ขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาพุทโธ และอยู่กับพุทธโธนั้นหน้าแฟนปรากฏขึ้นแต่ยังมีสติรู้อยู่กับพุทธโธผมเพ่งให้เป็นหน้าและร่างกายที่ปราศจากผิวหนังทำแบบนี้เป็นการปรุงแต่งหรือไม่ครับและควรทำหรือไม่ควรครับก็ถ้ามันเป็นภาพที่มารบกวนทำให้เราพุทธโธไม่ได้เราก็ต้องปฏิบัติกับมันก็พิจารณาให้มันเป็นอสุภะไปแล้วก็กลับมาพุทธโธต่อ ตอนที่เรานั่งทำสมาธิเราไม่ควรที่จะไปพิจารณาทางปัญญานอกจากถ้ามันเป็นอุปสรรคมาขวางกันแล้วถ้าเรารู้จักวิธีใช้ปัญญาเพื่อกำจัดมันก็เพื่อดึงใจให้กลับมาอยู่กับพุทธโธได้ก็ใช้ได้ถ้าเราดึงใจให้อยู่กับพุทธโธไม่ให้ไปสนใจภาพได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับภาพนั้นให้เกาะติดอยู่กับพุทธโธไป พราะถ้าเราไม่อยู่กับพุโทโธจิตจะไม่นิ่งพอเราไปพิจารณามันก็เริ่มคิดปรุงแต่งฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปสนใจไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็ตามให้อยู่กับพุโทโธต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไปติดอยู่กับภาพนั้นก็ต้องหาวิธีใช้ปัญญาปล่อยมันอพิจารณาเป็นอสุภะไปพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงไปเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับพิจารณาว่ามัน เป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราเพียงแต่อย่าไปสนใจกับมันเราก็กลับมาหาพุโทโธต่อไปได้คำถามจากคุณวิสุวัรรมอนาปานสติดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วเกิดสภาวะนิ่งจนจับลมหายใจไม่ได้เหมือนความรู้สึกรอบตัวดับไปหมดครับ อันนี้คือสภาวะเอกคตาใช่ไหมครับควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ให้มันอยู่อย่างนั้นเป็นนานๆพอจิตจะเริ่มคิดก็หยุดมันใช้สติหยุดมันถ้าสั่งให้มันหยุดหยุดไม่ได้ก็ใช้คำบริกรรมหรือถ้าดูลมได้ก็กลับมาดูลมต่อ คำถามจากคุณหนึ่งการที่จิตใจเราช่วงนั้นๆอาจมีนิมิตรหรือเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสุภาหรืออสุภามาเกี่ยวข้องเป็นเครื่องทดสอบบ้างเป็นอุบายบ้างหมายความว่าจิตเราในขณะนั้นควรจะต้องพิจารณาอสุภาถูกต้องใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันมาทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วจะจิตเฉยๆก็ไม่ต้องทําอะไรแต่พอเกิด ลาะโลภขึ้นมาเกิดราคะขึ้นมาเกิดความอยากจะเสกกลางขึ้นมามันก็ต้องใช้วิธีแก้ใช้ปัญญาแก้ใช้อสุภะมาแก้มันแต่ท่านเห็นแล้วมันเฉยๆจิตยังเป็นอุเบกขาอยู่ไม่เกิดโลภโกรดหลงไม่เกิดกามาราคะก็เฉยๆไปก็ไม่ต้องไปสนใจมันกลับมาดูลมกลับมาพุโทโธดีกว่าปลอดภัยกว่า เห็นภาพต่างๆแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้คำถามจากคุณพรธิรัตน์จริงๆแล้วเราต้องกรวดน้ำไหมครับพอเวลาอุทิศส่วนกุศลไม่ต้องหรอกไม่ต้องใช้น้ำใช้ใจใช้น้ำใจใช้ความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญของเรานี้ส่งไปเลย บอกวันนี้ผมทำบุญแล้วผมเกิดความสุขใจพิติขอสมความสุขใจนี้ให้กับท่านผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเขารอรับเขาก็จะได้รับส่วนบุญความสุขที่เรามีอยู่ส่วนหนึ่งให้ให้กับเขาไปทำให้ที่ดวงวิญญาณที่จืดชืดมีชีวิตชีวาขึ้นมาคำถามจากคุณดาวการที่เรามีความตั้งใจอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่ง เป็นอย่างมากถือว่าเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นหรอกจะเป็นก็ต่อเมื่อเราทุกข์อยากไปแล้วไม่ได้ไปเราทุกข์นี่ถึงจะเป็นกิเลสถ้ามันทุกข์หือว่าไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากแล้วไม่ชื่วคราวก่อนวันนี้ไปไม่ได้ก็ยังไม่ไปก็ได้ไม่ใช่ยังอยากอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่ความอยากถ้ามันอยู่ในขอบเขตมันก็ถ้ามันไม่ทุกข์ก็จะถือว่าไม่ยังไม่เป็นปัญหาเลย ถ้าอยากแล้วทุก์นี่ยตอนนั้นอะเร่เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้และเพราะทุกนี้เป็นเป็นเหมือนโครคภัยแค่เจ็บของจิตใจนี้คำถามจากคุณสาคุณแม่เป็นแม่ชีไปช่วยงานวัดโดยการช่วยงานแม่ครัวของวัดซึ่งนอกจากทาครัวในวัดแล้วยังรับจ้างทำอาหารถวายพระขอถามพระอาจารย์คุณแม่ช่วยงานแม่ครัว ที่ทำเป็นอาชีพจะได้บุญใหม่เจะะ้าค่ะและเป็นการทำงานวัดหรือทำงานให้แม่ครัวคะ่ะก็แล้วแต่ว่าคุณแม่มีรายได้จากการกระทำหรือเปล่าถ้ามีรายได้ก็เป็นอาชีพแต่ถ้าทำแล้วไม่มีรายได้ก็เป็นบุญไปคำถามจากคุณคันชิตผมนั่งสมาธิแล้วตัวสั้นหายใจไม่ค่อยออก กาเรียนถามว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับก็ใช้พุโทโธแทนถ้าใช้ลมหายใจแล้วมีปัญหาก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธอืเวลาเการมีอาการต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็หายไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการตัดใจจากสิ่งที่รักต้องทําเช่นไรเจ้าคะก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจบงเดี๋ยวว่าต้องตายจากกัน แลื้อไม่ไม่จากกันตอนตายก็ต้องจากกันตอนเป็นถ้าเราตัดใจได้เวลาจากกันเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจหมดแล้วเหรอโอเคอเชิญมาพูดทั้งไมโครโฟนหน่อยมาทางด้านหลังต้องพูดทั้งไมโครโฟนถึงจะได้ยินเสียง ทุกวันนี้เนี้ยเราจะเห็นข่าวในในสื่อสื่อพิมพ์ต่างๆว่ามีการฆ่าตัวตายบ้างฆ mm hmm. ่าคนในครอบครัวบ้างเพราะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ mm hmm. หรือปัญหาเรื่องอื่นๆ <c oughs> ข่าวพวกนี้นับวันน่าจะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอยากเรียนถามว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าหรือเป็นการสร้างกรรมใหม่ของตัวเองและเราจะช่วยยังไงให้สังคมนี้เนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้ น, นครับเป็นการอยู่ห่างจากธรรมะนั่นเอง เวลาเกิดความทุกข์ใจไม่มียารักษาความทุกข์ใจมันก็เลยรักษาโดยวิธีฆ่าตัวตายกันโดยฆ่าคนอื่นตายแต่ถ้ามีธรรมะมันก็จะรู้ว่าต้องมาฆ่ากิเลสตัวที่สร้างความทุกข์ใจคือความอยากความโลภความโกรธต่างๆถ้าฆากิเลสแล้วความทุกข์ใจก็หายไปก็ไม่จำเป็นจะต้องฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าคนอื่นตายคนห่างจากศาสนาเพราะเดี๋ยวนี้ไปบูชาวัตถุกัน แทนที่จะบูชาธรรมไปบูชาวัตถุแทนที่จะศึกษาธรรมเลยไม่มีธรรมที่จะมารักษาความทุกข์ใจเวลาทุกข์ไปเลยแค่ด้วยความหลงด้วยความโง่ก็ไปคิดว่าฆ่าคนอื่นตายแล้วจะหายทุกข์ฆ่าตัวเองตายแล้วจะหายทุกข์มันไม่หายกลับจะเพิ่มความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นต้องแก้ตัวที่ทําให้ใจทุกข์คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ เอาเนอะธรรมะจึงสาคัญเป็นสิ่งที่สาคัญแต่คนกลับไปเห็นว่าเป็นของไร้ค่าเพราะมันไม่มีมูลค่าเหมือนกับข้าวของเงินทองแต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมามันถึงจะรู้ว่ามีคุณค่ามาหาศาลขนาดไหนทุกวันนี้เราจะเห็นว่าสื่อต่างๆหรือแม้ทั่งวัดต่างๆเนี่ยก็พยายามชักชวนคนเนี่ยให้ทำบุญมากๆเพื่อจะได้พ้นทุกข์ อันนั้นกงไม่ถูกต้องอย่างเดียวใช่ไหมก็เป็นขั้นเรื่องต้นขั้นรักษาทาบุญแล้วก็ต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องมาปฏิบัติธรรมถึงจะได้ปัญญาถึงจะพ้นทุกข์ได้ก็หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ